กบนาอยากกินมาขันตบหกเนี่ยดักน้ากบ่ได้กินขันแตกอะบัดนี้เฮาขันห้าเฮาเนี่ยถึงขันสัมไม่ได้ขันเรียกว่าขันสามขันสองที่ว่าเฉยๆว่าแล้วเรองนี้ขันห้าโบตรง้วมาจิปฏิบัติทำอัมจิเก้าวหน้าได้ยังไงมันต้องตรงเนี่ยคนมันต้องเข้มแข็งจังววะเอากันเข้มแข็งทีนี้มู่เขาอยู่เนี่ย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 เอาถอยตัวลงไบนแม่นปฏิบัติเอัศนาคนอื่นนี่ปฏิบัติธรรมะนี่เพิรนวาเนี่ยอัศนาคนอื่นนั่นลอยครั้งพั น, งนครั้งมื่นครั้งแสนครั้งว่ามีประโยชน์เฉพาะอัศนาตนทีเดียวจรงการพูดร้อยคำพันคำมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การกระทํำข่มรู้สึกครั้งเดียวบ่ได้เนี่ยเพิรนวานจังใจแล้วเฮาเจีย๊ยหัจังไดใครซีมาให้เฮารู้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 ถ้หาหันนรกมีอ่หรือว่าคําพูดนี่ยพูดผิดคิดผิดบันเนี่ยนี่พัดสู้พระวีไหนครับพูดผิดออกมาแล้วบันเนี่ยตายไปแล้วไปจบนรกขุมแต่ขานรกมีนานจากปีจากเดือนเนี่ยเข้าใจยังไงบนันนี้เรื่องมูนี้มันสร้างมาจากใจบันเนี้ยใจคิดผิด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 นานจากมือจากวันจากปีจากเดือนเข้าใจยังรับบัด น, นี้ปากดีวาดีวาเตคข่มสัตว์ข่มจริงนี่แหละให้คนฟังตายไปแล้วไปตื่อสวรรค์สันฟ้านี่ผ่านมันจากปีจากเดือนถ้ามีจริงนะถ้าบูมีจริงไปใส่เนี่ยมันหูจักยังสบัด น, นี้ใจกะดี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 ผมปันนีนนเพียงแต่ทำขวมรู้สึกตัวนี่อั น, นิสงส์มันมากปันนื้อนอกเนื้อจากนี้ไปบนมีแล้วก็เลยรู้จกักกันจืดมัดเนื้อมันตัวคือสำเรียงแห้งๆนี่ครับติด เ, เข้าพ้อมันคือดักแด้นี่ครับทุกคนต้องเป็นยังสิบยกเว้นบูได้จวนจะตายนี่แหละครับแน่นอนที่สุดแต่ว่าคนบม่รู้จักอา น, นิ้ก็ไปทางผิดได้ครับ น, นี้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 ผู้ที่จเจริญสติประธานซี่อย่างถูกต้องวะท่านให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่วะ่นอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอานิส่งไม่ต้องพูดเลยวะท่านเป่นวาหนึ่งเป็นพระอราหารันต์วะั่นถ้าหากวิจากการเป็นพระอราหารันต์้ะต้องเป็นพระอนาคามีวะท่านเนบุมหาวัสมุน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 ปีนี่มันต้องทำตัดขาดทับมีขวดผู้ใดหักคอใจอยู่จิตฝึกเนื้อฝึกตัวก็นิมุนเตรียมเนื้อเตรียมตัวผมจิตพยายามเข้ากุดทุกองค์ทีเดียวซึ่งของพยายามเก็บให้มันน้อยที่สุดเพราะจิตปฏิบัติธรรมะฟื้นฟูจิตใจจริงๆถ้าหักผู้ใดบ่พอใจอยู Geld ่เออบังคับนี่เกินไปก็มีมุนไปได้ครับบ่ห้ามบนเมีนผมจิตสักส่วนมีย <Said, S 2> ั่งรับ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 ถึงเป็นตายก็ต้องเอาชีวิตเข้าหลับรองมนุษย์มีควารู้อย่างกูรู้ได้ประกาศความจริงต่อคนทุกคนได้ไม่ผิดเลยเพราะว่าทุกคนมันเป็นเราท่า น, นเดีเขานั่งอยู่นี่จีมีนั่งนี่สบายอยู่ซื่อนี้แต่บางคนนักสบายซื่อบุหูจ้จักว่าจิตใจเจ้าของคิดอย่งร่างกายเจ้าของนี่รูกอันนี้เคลื่อนไหวโดยวิธีการบนรู้อันันั้นนนก็รู้ยังไม่รู้นนสบายซื่อ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 อยู่นี่ต้องสัว จ, จริงๆปี น, นี่ผมจะออกสอบอารมณ์ถ้าหากจําเป็นนะครับมือหนึ่งสองเธอตอนเศร้ากับตอนเย็นผมเคยทํามาแล้วตัเมื่อเป็นโยมมู่โย ม, มอยู่อนี้เนี่ยเคยทํากับผมคนรุ่นก้อนพุ่นสมัยที่แรกผมมาสอนผมเป็นโยมอสอนหมู่เจ้าหกวพอ เ, เท่าเลืองมู่ไม่เท่าเลืองหลายคนด้ว อย่างโบาตายอยู่นี่นยังกัอย่งพระเรื่องกับพระนอมกับไม่จกินสี่เห็นตายไปหมดแล้วเปไหนทำอันเนี้ยเด็กน้อยผมเคยสอนมาแล้วครับอายุในเกณฑ์เ้าปีถึง1ิบสามปีนี่แต่เด็กน้อยเขาโบามีอารมณ์มากรู้งา่ายโบเกินเดือนหนึ่งมหาบทตรพรจากเดือนก่อนอย่างหูจักนี่นูกคุณมันมีอารมณ์มันเฮียน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 มันพิษอนนมันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะอั น, น่งมันบีประกอบด้วยสติสมมาทิญญามันเป็นมิจฉาทิฐิอย่างทิฐิจังแปลควมเห็นเห็นผิษปฏิบัติมันก็พิษเห็นทุกปฏิบัติมันก็ทุกเพื่ออย่างว่าไว้พระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราแตถาคตเยคือกันกับพระพุทธเจ้า สัตย์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเนี่เหมือนกันกับพระเจ้าสัตย์ทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่เป็นสาวกพุทธะโบม่นเป็นพระพุทธเจ้าคนบอกต่างๆแล้วเหาบริเวณต่าง่ๆสัตย์ทั้งหลายเป็นตัวสุดท้ายเป็นห่าเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลวแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้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 มาพยายามควบคุมกัจริงๆทุกองคได้บุิพระเก่าบุิพระใหม่อยู่นี่ครับผมก็เป็นพระใหม่มุ่งเพ่เป็นพระใหม่เขาช่วยกันสร้างเกาะทับนี่ขวดนี่รองบึงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมะให้มันั่นคงลองบึงขัน้าห่างเขาโบเฮ็ดแล้วก็บรมั่นคงแล้วเป็นแันเยวมมั่นคงควงผ่ารควมแข็งแต่ง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 บทตัวอยู่นี่เพราะหนังสือพิมพ์มาเป็นหนังสือเรื่องโลกยกเอาแต่ทำมาล้วนๆเข้าไปฏิเดียวปีนี้พระเนรทุกองคครับบอกว่ายังนี้ได้ยินยบุคคลขันได้ยินก็เลิกถ้าหากไฟจีโดนเราจะเอานงินมัไปโลดครับมันที่มาทำลายอยู่นี้เสื้อโลกอันนั้นมันบูดี <c oughs> คนบูดียื่ใส่กระเดือดร้อนเป็นอังนธ่ะที่ผมว่านี่โมเมนต์วอลนาน่า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 อะไรกับอะไรที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นสมาธินี่มีความสำคัญมากคนมีสมาธิดีไม่มีทุกทำงานได้ดีไปแม้แต่กิจกรรมเจ็บค่ายไม่สบายก็ยังทำได้เพราะไม่มีทุกมีสมาธิ ม, มีสังขันก็สมาธิ